ชีวิตนี้ถ้าผูา้ใดอยู่ ใ, ใกล้ธรรมคนนั้นก็ไม่ทุกข์นะถ้าชีวิตห่างธรรมก็ทุกข์คำว่าธรรมคือความจริงที่นี้ความจริงมีสองแบบความจริงที่เป็นสมมติสัจจะกับความจริงที่เป็นอริยสัจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรมาทสัจจะทีนี้ชีวิตเราที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราอยู่กับสมมุตินะ อันนี้ชีวิตเห็นสมมุติเป็นความจริงแต่เห็นความจริงความจริงเป็นสมมุติทีนี้ถ้ายิงอยู่กับสมมุติเนี่ยสมมุติมันเป็นสภาพธรรมที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือความเปลี่ยนแปลงทุกของอนนังอนิจจงอนัตตาทุกคือสภาพที่ทนไม่ได้ มันถดไปเรานั่งสักพักเนี่ยเราจะทุกข์ละทุกขังละเกิดมาซะน้อยก็ทุกขังล ะ, า อ, งละอากาศเวทนาทั้งหลายปรากฏขึ้นก็นทุกขังละในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอาการของใจเราเป็นทุกขังคือเสื่อมจากสภาพเดิมตลอดเวลาอันนี้จังก็เสื่อมขึ้นมากกว่าทุกขังละ เขาแปลว่าความไม่เที่ยงคือทุกอย่างนี่มันทรงตัวอยู่นิดเดียวแล้วมันทรงอยู่ในนั้นไม่ได้อย่างตัวเรานี่ก็แก่ไปเรื่อยนี่เรียกว่าทุกนะมันทุ ก, นะนะทกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ทุกตื่นมาไม่ได้กินก็ทุกกินมากก็ทุกนอนก็เป็นทุกคือจะนอนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ ต้องลุกเดินไปเดินมาทั้งนั้นก็แตกดับทั้งขารนีดังนั้นชีวิตนี้จึงเป็นอยู่ด้วยการบ่ บ, บัดบรรเทาทุกข์นะไม่ใช่อยู่ด้วยกวันสวยสุขนะเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ความทุกข์มันมีนะถ้าเราไม่ขยับสับเปลี่ยนเป็นทุกข์ทีนี้เวลาเราไปทำอะไรเนี่ยจะรู้สึกว่าเราติดยึดยึดสภาพนั้นแล้วเราไม่อยากให้มันเปลี่ยน แต่ความเป็นจริงทุก์นี่มันต้องเปลี่ยนเราชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามหรือทุกมันก็จะสลายเปลี่ยนแปลงไปเ ป, นนงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามีความสุขก็ตามนะบางทีเราไม่ชอบไม่อยากเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยแต่กฎธรรมชาติคือมันต้องเปลี่ยนเป็นอ น, นิจจังเป็นอนัตตาทีนี้เราไม่ชอบไม่ชอบที่มันเปลี่ยนแล้วนะ อะไรที่ชอบเราก็อยากให้มันเปลี่ยนอะไรไม่ชอบเราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแต่เป็นไปไม่ได้จิตคุณนี่จะต้องเป็นอ <animals. cend> <general> ันหนึ่งอันเดียวกับสัจธรรมมันจะต้องไม่ข้านสัจธรรมคือปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามทำจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติอันนั้นให้เข้ากับกฎของไตรลักษณ์อันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันดับก็เห็นมันดับมันเกิดก็เห็นมันเกิด แล้วรู้ตามสภาพที่มันเป็นจริงไงเนี่ยว่ามันเกิดก็รู้จักมันดับก็รู้จักแล้วพยายามทําให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นไหลไปตามธรรมอยู่กับธรรมะอันนั้นแต่นี้มันดับเราไม่อยากดับเราจําไว้เนี่ยมันดับเราไม่อยากดับเราปรุงแต่งคิดเพิ่มเนี่ยรูปนี่มันเสื่อมรูปกายเนี่ยมันเสื่อมดับ แก่เท่าไปเราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเท่าไม่อยากเสื่อมเราพยายามแสวงหาอะไรก็ตามที่เป็นเงื่อนไขให้าร่างกายสังขารนี้มันคงอยู่ไม่แต่นามรูปร่างกายนี้เรียกรูปนามนะร่างกายนี้รูปนามแต่ถ้าจิตความคิดมันเป็นรูปภาพขึ้นมาเป็นมายาขึ้นมาในใจเราคิดถึงคนเป็นรูปคนนั้นคิดถึงวัตถุอันนี้เป็นรูปอันนี้นี่ก็เรียกว่านามรูปอ น, นั้นเป็นนามแต่เป็นรูปขึ้ น, นมาก็เรียกว่นานามรูป ถ้าใจมันคิดมากฟุงซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเรียกว่านามโรคะนั่นนามโรคแต่้ารกกายเป็นรูปโรคนะรูปโรคเวลามันทำนู่นทานี้ก็เรียกว่ารูปทำทีนี้ว่านามเวลามันเป็นโรคเราไม่อยากให้มันเป็นเราไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันปรุงแต่งถ้ามันคิดแล้วมันติดน่ะปัญหามันคือ มันอยากจะดับไปเองอ่ะมันเกิดขึ้นความคิดเนี่ยมันก็ดับไปเองร่างกายสังขานนี้เกิดมาแล้วมันก็ดับไปเองมันเป็นนี้โดยธรรมชาติมันนะทีนี้พอจิตเราไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวก็ทำมะไม่อยู่กับธรรมชาติอันนี้เราก็อยากรักษารักษาสภาพธรรมมนั้นให้มันอยู่กับเราไปอความคิดเรื่องนี้ก็อยากคิดให้มันเพิ่มเติมไปมันมีความสุขรสชาติเนี่เราก็อยากมีเพราะไม่ได้มีมันหายไปเราก็หาเงินมาซื้อเนี่ย คือคนไม่เข้าใจสัจธรรมจิตมันไม่มีอยู่กับสัจธรรมมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็วุ่นวายแล้วเนี่ยอเราคิดถึงคนนั้นเราก็อยากไปหาคนนั้นทั้งที่จริงนามรูปมันดับไปแล้วนะแต่มันเหลือความอยากทิ้งเอาไว้ในจิตเราไม่ชำระ ล, ล้างเหมือนเราก็ต้องวิ่งตามความอยากหาเงินหาทองข่าวของนะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเห็นไหมสร้างตัวสร้างตนทำไม มีหน้ามีตาในสังคมวิ่งไปหามันอีกเนี่ยพอวิ่งไปหาเป็นยังไงพอวิ่งหามันก็เสื่อมขณะวิ่งไปก็สภาพธรรมก็เสื่อมตลอดเวลาเสื่อมลงเสื่อมลงเสืมล ง, เ, มลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือพูดไปแล้วก็ <c oughs> <c oughs> คือมนุษย์เราในอยู่ครับความถูกหลอกโง่โง่ไปวันๆเนะี่ะ เราวิ่งไปตามกระแสแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่ ย, ยทั้ทีมันเกิดดับจบไปแล้วนะแต่มันทิ้งเยื่อใหญ่ความชอบความจังเอาไว้อย่างเรานอนนี่ง่วงนอนแล้วตื่นขึ้นมามันเป็นอันนี้จังนะั้นน่าจะตื่นไปมันก็ยังมีความอยากฝากเอาไว้เราก็อยากนอนอยาก ง, ง่วงอยากงองและหน้าที่การงานที่เราจะเดินไปเนี่ยไม่ว่าจะหน้าที่ทางธรรมหน้าที่ทางโลกมันไม่ประสบความสำเร็จลรอทีเนี้ยเพราะมันติดอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ย ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแม้แต่เขารู้จักรู้เท่าทันนิวรณ์ระดับหนึ่งชีวิตเขาก็มีความสุขละนะสามารถผ่านอุปสรรคและสามารถสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหนะ้าที่การงานทางโลกได้แล้วถ้าเขาไม่ติดความคิดอันนั้นขิดความคิดอันนี้เนี่ยจิตเขาจะมีหนา้าที่ลักำหรอยากทําอะไรมันก็คิดอันนั้นก็จะมีความแหลมคมตั้งหน้าตั้งตาทําทหาเงินหาทอ ง, งกา็าเงินหาทองตื่นเรื่องลูกเช้า อิเดตันหาลาค่ะก็มีภรรยาสามีก็มีคนเดียวอย่างเงี้ยคือมันไม่มีความคิดฟุ้งซ่านอะดื่นมาปนเพราะมันไม่ได้เห็นเป็นเรื่องสําคัญอะไรมากมายนะไม่ลังเลสงสัยไม่งมงายเรื่องไซยศาสตร์เรื่องเวทมนตร์เรื่องคาถาเรื่องปลูกเสกเรื่องบาปเรื่องกรรมพวก น, นี้ยมันไม่เป็นเขาเรียกว่าจิตของพระโสดาบัน โสตาปฏิยงังขะองคุณธรรมป่องพระสูดาบันก็จะมีแบบนี้อยู่ในจิตมีแค่นี้ก็เพียงพอนะสำหรับผู้ทุชนชาวโลกเนี่ยเกิดมาฝึกฝนตัวเองให้เป็นโสดาบันอาต็่าไปสบายเลยทีนีนะ้สภาพจิตมันฉลาดขึ้นมานะถ้ามันติดก็ติดนิดเดียวแล้วมันกระดับยังมีตัณหาราคะยังมีความโลภความโกรธแต่มีน้อย มันไม่ทําร้ายเราอ่ะมันไม่ทําร้ายเราฉะนั้นจิตของพระสวดวันนี้จะไม่ตกนรกนรกก็กประเภทที่ทุกเนี่ยไม่เป็นนะมันแวบมานิดเดียวรู้สึกตัวคือแวบมาก็เห็นมันเห็นมันเดินไปเดินมานในไม่ได้ทําอะไรในะหน้าที่เราเห็นจิตคนที่ปฏิบัติทำสติมันอยู่กับตัวนี่ทําไม่ทําเนี่ยดีกว่าหวกที่ทํา พุทธิธรรมในแทบเป็นแทบตายมันก็ไม่อยู่แต่มันอยู่แล้วมันเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนหมาเฝ้าบ้านเนี่ยมันได้ไปไหนอ่ะมันอยู่อย่างนี้ของมันไม่ไม่ใช่อยู่เพราะอะไรมันรู้จักว่าคิดออกไปมันก็เป็นทุกข์มันไม่รู้จะคิดอะไรคิดออกไปเดี๋ยวก็ดับเองอ่ะมันก็คิดไปทําไมมันมีความคิดนะวันวนหนึ่งก็อยู่ด้วยใจธรรมดาธรรมดาเขาเรียกว่าอยู่กับธรรมอยู่กับธรรมน่ยมันไม่ไหลไปเพราะมันเป็นอนิจจัง ไม่อยากไหลไปเพราะเป็นทุกขังไม่อยากไหลไปเพราะไห ล, ไ ป, หลไปเดียวมันก็ดับเองทุกขังอนิจจังอานัตตาในเบื้องต้นเนี่ยเห็นแล้วมันดับธรรมดานี่แต่มันมีอันหนึ่งประเภทดับเกิดดับแบบประมัิคืออนิจจังตั้งแต่อนิจจังวันนั้นแล้วไม่มีอีกเลยเนี่ยเห็นทุกข์ตั้งแต่วันนั้นน่ะทุกข์ไม่เกิดขึ้นอีกเลยดับไปเลยเนี่ ย, น, ยนะเราเห็นทุกข์เห็นร่างกายในเป็นทุกข์ตั้งแต่นั้น เกิดความเหนื่อยหน่ายในกายนีนะ้ไม่ชอบกายไม่ได้ปฏิเสธกายนะแต่มันไม่ยึดติดกับกายมันปล่อยวางโอ้เห็นเป็นธรรมชาติเนอะอันนี้มันเหมือนกับสมมติว่าเราเห็นคนทุกคนเหมือนแม่เราอย่างเงี้ยมันไม่เกิดกิเลสตัณหาล่ะครับมันก็เป็นเหมือ น, นแม่คุณแม่เลมีความเคารพนะนะอย่างมากก็เป็นน้องสาวอย่างเงี้ยมันคิดอย่างอื่นไม่ได้อ่ะ เหมือนกันเราคิดกับกายนีย่มันคิดอย่างอื่นไม่ได้คิดจะแต่งเนื้อแต่งตัวคิดอะไมันไม่ได้คือมันเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจิตมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นในหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าเราทำมันไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องตอบสนองกิเลสตนาราคะโลภะโทสะต้องไหลไปอย่างเงี้ยตลอดเวลา ทำทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่ออันนี้แหละเพื่อราคะโทสะโมหะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นทีนี้ราคะโทสะโมหะเป็นไงเป็นนิจจังราคะโทสะทุกขังราคะโทสะโมหะเป็นอนัตตามันไม่มีเดี๋ยวนี้เราเราพยายามแก้ความโลภนเ่นี่นเนี่ยพยายามหาันนั้นเนี่ยไม่ได้เยอะเพื่อแก้ความโลภมันแก้ไม่ได้ แกความโกรธเดี่ยวนี้หาเงินมาเยอะๆเพื่ อ, อนเพื่อนเอาชนะคนนั้นให้ได้คนนี้ให้ได้ชนะอัตตาตัวตน ต, ต้องรวยกว่าคนนั้นตรงมีเท่าคนนี้มีหน่ามีตาไม่ได้มันเป็นอนิจจังอจิตนี่ก็เหมือนกันน่ะแล้วมันก็เป็นอนัตตาอยู่เท่าที่มีนั่นแหละอยู่เท่าที่มีเห็นไหมคนปฏิบัติทำมีเท่าไหร่ก็คือมีเท่านั้นรวยพันล้านก็รวยพันล้านเหมือนเดิมคนไขยใหม่เนี่ยเขาไม่เอามันทุก พอแล้วแค่เนี้ยพออยู่ได้ละอายุก็เหลือเล น, น้อยเองไม่ได้เยอะแยะอะไรนะได้ร่างกายสังขารมานี่ก็พอสมควรแล้วจะมาแต่งเนื้อแต่งตัวมาโอกมาอะไรของมันเนี่ยเอาแป้งเอามาทาโน่นนี่มากมายหลากหลมันพอแล้วเอาพออยู่ได้แต่ให้เป็นไปเพียงเพือ่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ทําอะไรเนะี่ยการกินการดื่มการพูดการคิดการไปการมากการหลับการตื่น เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนิยปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปริยติยาไม่เป็นไปเพื่อความลำบากทางกายพระมจริยานุกหายะเพื่อการประพฤติพรหมจันทร์จันจริยะพรหมจันทร์ประพฤติอย่างพรหมจิตเนี่ยประพฤติอย่างพรหมคือจะให้จิตนี้มันมีเมตตาเมตตาต่อตัวเองนะเมตตาต่อร่างกายต่อสังขารต่อขันหะนี่ มีเมตตาจิตนี้มีกรุณามีมุทิตามีเวขากับสัตว์โลกทุกประเภทให้ตัวเราเองมีหน้าสี่หน้าจิตเนี่ยมีหน้าเป็นพรหมพรหมวิหารมีสี่หน้าเลยมีหน้าเมตตาการุณามุทิตาเวขาคือมองอะไรก็เป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นพรหมวิหารถ้าทะลุมิติอันนี้ไปก็เป็นอปมัญญาทำไรขีดจากัดเลยมเมตตาทุกคน เงินพระพุทธเจ้าท่านว่าเมตตาต่อพระราหุลกับพระเทวทัตดีเท่ากันแม้เทวทัตจะ ก, กิ่งหงิงทับเอาช้างนาลาคีริงมาไล่เหยียบอืก็ยังรักพระเทวทัตอยู่คือยังเมตตาอยู่ถ้าจะไปนิพพานก็ส อ, อนนะก็บอกกล่าวไม่ใช่เกลียดชังนะมันไม่มีจิตอันนั้นมันไม่มีมีแต่ความเมตตา เมตตาไม่ใช่อ่อนน้อมยอมความใครนะเมตตาด้วยปัญญาเป็นแบบหนึ่งนะเมตตาด้วยโมหะเป็นแบบหนึ่งนะคนทั้งหลายนี่มีเมตตาต่อสั ต, นนสตวน์นัสนี้เมตตาแบบโมหะนะคือเมตตานี่ยมันยังไม่ได้ชําระละลมันมีความเด็ดขาดในตัวของมันเองคนะุณธรรมในใจเนี่ยดังนั้นทําไงชีวิตนี่มันจึงจะอิงธทำอิงทำท่านทั้งหลายก็ต้องมุดนะต้องสู้ต้องย่อน จิตให้ลึกลงไปเรื่อยเขาเรยกว่าปฏิบัติสติให้มันเป็นญาญญาญแปลว่าความอย่างรู้อย่างลงไปหาที่เกิดของทุกข์ให้ได้เห็นอันนี้จังให้ได้เห็นทุกข์ขังให้ได้ทุกข์มันขังเราอย่างไงอ่ะดูมันให้ดีเห็นไม่เดินไปเดินมาทุกข์ขังเดินวนเวียนไปมาออกจากความม่วงได้ไ้ยไม่ได้ออกไม่ได้เพราะมันไม่รู้กฎมัน มันไม่มีอะไรนะพอไปถูกกฎพอรู้เท่านั้นมันสว่างเลยถ้าถูกเนี่ยสำคัญว่าไอ้ตัวรู้เราเนี่ยมันแลงมันไม่พอเหมือนเด็กเล็กๆเนี่ยมันยกของหนักไม่ได้แต่ถ้ามันโตแล้วเนี่ยมันยกได้จิตของเราเองที่มันเป็นมรคนี่มันจะเป็นแบบนั้นแหะมันยกเอาความง่วงได้ยกพุ่มเงาออกได้ยกความคิดที่มันกาลังคิดเหีหลุดพึงไปอะ แล้วมันจะเบาขึ้นมาพะราฮเวปัญจ ก, กันดาขันทั้งฮาเป็นของหนักเด้อเนีน่เสียงร้องของพระอริยะเนี่ยเขาเรียกว่าบทเพลงพระอรหันต์พาราฮเวปัญจ ก, กันดาแววมาตามอากาศพะราเวปัญจ ก, ก, กันดาขันทั้งฮเป็นของหนักเด้อพาราฮโรจปุกรโรโบกุลและเป็นผู้แบกของหนักพาไป ภาระฐานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกคนแบกโลกไะทีเนี้ยหนักนะพอคนตึกทักว่าจะแบกจะแบกตัวกูของกูเรื่องของกูเนะ่มันเอาทันทีนะจิตเนะี่ยเพราะมันไม่เห็นสัจจะไงนะภาระนิเคปนังทุกข์ทุกขังนะ นิเคปันงการสลัดทิ้งของหนักลงเสียเป็นความสุขนิเขเนี่ยเรามาแปลเป็นภาษาไทยว่าแปลว่าเขี่ยเขเนี่ยนิเขปันสมุเราแปลว่าเขี่ยเขี่ยออกนิเคปันสุกเขี่ยออกนิแปลว่าไม่มีออกนะแปลว่านิเคก็คือเขี่ยออกเราเขียออกเป็นไม่นื่เรามาเขี่ยความคิดเขี่ยขวามโมโหใจจิตเราเลยนิเขปะนังสุขครงการสลัดทิ้งเขี่ยมันทิ้งเสียเป็นความสุข เกียนี่ออกเนี่ยเหมือนเราแบกของหนักมาเยอะๆสุดท้ายเราก็ทิ้งเนี่ยทิ้งของหนักเสียลงเป็นความสุขนะมันตาเคยเห็นคนโง่คนหนึ่งอะคนโงน่เป็นขีกเกียนไปแล้วก็ไปเอาฝืนขึ้นเต็มเลยเวียนเขาทีนี้สงสารวัววัวมันขึ้นหนักเนาะก็เลย เอาท่อนฟืนใหญ่หญๆมาแบกแล้วก็นั่งขี่เกียนมาเรื่อยๆเราก็ถามว่าเป็นอะไรโอ๊ยเมตตาต่อหัวสงสารหัวแบกเราเองในเสียวสวาสดนิทานสอนธรรมพระอีาสานเนี่ยยังมีคนโง่านนี้อีกมีราชกุมารีคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเมืองเขามีความปรารถนาจะแต่งงานกับ บุรุษใครก็ได้คนจนคนรวยก็ได้แต่ขอให้เป็นคนโง่ที่สุดในโลกเขานัดประลองความโง่กันนะแต่ก่อนไม่เคยได้ยินนะไอเนี่ยพอไปดูในนี่เขาบอกวนัดประลองใครโง่ที่สุดนะคนนั้นจะได้แต่งงานกับเธอนะี่ยก็ตัดสินใจอา้าวได้เวลานะคนก็แต่งตัวมาคนนึงก็แต่งตัวไปคนนึนก็แต่งตัวไปคนนี้น ต้องเชื่อนะพวกเราเนี่ไม่งโง่ปบนนั้นนะเนี่ยไม่มีโอกาสได้เป็นราชบุตรเขยหรอกเนี่ยคนนี้เขาโง่มากพอเขาไปถึงที่เขาชีก็ออกมา เ, เดินมาชีแปลว่าหล่อนนะนะมาเดินม า, ม า, ม า, ม า, มาสวยงาคนงโง่คนหนึ่งมาตบกกหูนะ เฉยยังยิ้มขึ้นมาอีกนะมันแสดงว่ามันจะโง่น่ะนะเขาหาคนโง่คนนี้อีกนะคนนั่นทำไปนั่นคนทำอยู่สามสิบสองคนไาคนว่าไม่โง่สักคนนะมันมีคนหนึ่งอยู่ในนั่นแหละนั่งดูเขาประลองความโง่กันอยู่อยู่ยชีก็บอกว่าอืม มันมีต้นไม้ต้นเหมือนบังมันยื่นกิ่งออกม า, ามก็นั่งอยู่เฉยๆทาไมเอา้าขึ้นไปตัดต้นไม้ให้หน่อยไอ้หมอนี้ก็ขึ้นไปตัดต้นไม้ขึ้นไปตัดต้นไม้แต่ตอนมันขึ้นไปตัดต้นไม้นะ่ะตัวมันอยู่ข้างนอกมันตัดอยู่ข้างในนะกิ่งไม้ยื่นออกมาไม่อยู่ทางข้างนอกนี่มันตัดข้างในน่นนะ่ะฟันไปที่เรื่อนตกปุ๊บแทบตายนางนี่โหคนนี้โง่มาก แต่ ง, งานกับคนนี้แหละไม่เคยมีใครโง่ป่ะนี้เนะี่ยไอ้พวกนี้มันรับรองว่ามันไม่โง่ป่ะนี่มันจะอยู่ข้างในโน้นนะมันยื่นมือออกมาฟันข้างนอกอันนี้เข้าฟันเข้าไปข้างในนะถ้าคนมันโง่ไปนี่เนี่ยบรรลุธรรมเร็วนะเนี่ยอืบรรลุธรรมไวแต่คนส่วนมากไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นจิตมันไม่ค่อยโง่อะมาเนี่ยมันโง่ไม่เปลี่ยนมีแต่คิดกับคิดคิดกับคิด พอคิดก็คิดเลยโง่มากกว่าโง่นมันคิดเยอะนะบอกให้สร้างจังหวะมันก็ฉลาดคิดไปโน่นที่ยริงโง่มันไม่ไม่รู้สึกตัวนี่ต้องรู้สึกอันนี้จะไปคิดมันทิ้งความคิดนิเขปนังสุ ข, ขั้งสลัดทิ้งของหนักสิ่งความคิดเสียเป็นความสุขนิคิปิโว่าคุพลังพระอริยะเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วทิ้งของหนักแล้ ว, ว, ลวพระอริยะอริแปลว่า ถ้าศึกษะแปลว่าห่างแปลว่าพ้นอริยะคือผู้ห่างพ้นจากความคิดความพรุงแต่งพ้นจากสมมุติทั้งหลายวางแล้วพาริยาเจ้าสละทิ้งของหนักลงเสียแล้วและไม่ไปหยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนปล่อยวางความคิดแล้วกลับไปคิดหาอื่นอีกเอาอีกแล้วนะทุกเนี่ยทุกนะนกนะอืม ไปวางที่นี่แล้วเอ้าเสร็จปุ๊บไปทำอย่างอื่นอีกเนี่ยนะหาเรื่องมาอีกโอยมันทุกข์มากขึ้นมากขึ้นแล้วสะมูลังตันหังอภุิหะอมูลังมูลังมูลังมูลังมูลมูลเปโวขี่เปโวลาคขี่พื้นบราเรียกเป็นผู้ถอนตันหาขึ้นให้แม้กระทั่งมูลมันน่ะไม่แต่ลากคนทาสะอาดออกไปมูลก็คือ อาสวะธรรมที่อยู่ในใจแล้วนั่นแหละเอามันออกได้แต่ก่อนไม่ออกติดอยู่ในนี้เฮ้ยทาไงเนาะเอาออกได้ไม้กระทั่งรากนิช่าโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารนาดับสนิทดับนะดับดับดับทำเหมือนประทีปเหมือนไฟอ่ะมันดูดน้ํามันขึ้นมนมนน้ามันในตะเกียงมันออกแล้วมันไม่รู้จะติดอะไรไฟเนี่ยน้ำมันมันหมดน่ะพอจุดปุ๊บไฟมันนีดเดียวมันดับอย่เงี้ย เหมือนกันเรานี่มาตัดความคิดเนี่ยคือมูลเหตุของความอยากนะเนี่ยความห่วงความเหงาพวกนี้มูลเหตุของอวิชชาตัดมันออกเพื่ออะไรเพื่อจะให้ไม่มีอะไรแล้วก็เห็นโอ้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองเนาะมันอยู่อย่างนี้มันดําเนินไปแบบนี้นะเวลามันห่วงมันมีคอยดูนะมันจะอยู่ข้างใน ความง่วงกับความอยากความง่วงจริงๆเนี่ยมีอันหนึ่งความอยากอันหนึ่งมันจะแตะกันข้างในแตะปุ๊บหลับเลยนะมันเหมือนไฟฟ้าเนี่ยพอมันติดกันปุ๊บเนี่ยปุ๊บทันทีนั้นช็อตตายเลยนะเอาคัทเอาขึ้นเนี่ยเหมือนกันนะความคิดก็เหมือนกันพอมันมีกระทบตาปุ๊บเนี่ยไอตัวอยากมันจะวิ่งยุบยุบขึ้นมาทันทีอะคือถ้าเราปฏิบัติทำเราจะเห็นนะ มันก็ทบเราอี่ก็ทั้งว่าสั่นไหวไปโน่นมันมาแรงมากแต่ถ้าเราไม่มีสติกลางกั้นเนี่ยเหมือนเหมือนน้ำอะในบ่อมันลกด้วยสิ่งอื่นเนี่ยอะไรตกลงมาไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันใสสะอาดเนี่ยอะไรตกลงไปนิดเดียวมันจะรู้จักจิตที่มันเป็นสมาธิมันจะเห็นแบบนั้นเลเห็นว่าอะไรตกลงมามันจะเห็นก่อนเลยมันจะเห็นก่อนโอ้อันนี้ตมันจะสั่นไหวจะดีจิตที่มันสั่นไหวเหมือนกับ เราดึงเชือกสายพินตึงๆไปดีดมา น, นี่มันแตกเลยเนะี่ยอย่างเรากับพริบตาเนี่ยก็ต้องค่อยๆวางลงนะนะเพราะงั้นมันก็จะสั่นไปหมดตัวนี่บางทีสมาธิมันเยอะหายใจเข้านี่มันโลง่งทะลุลงไปถึงท้องถึงก้นเลยนะโอ๊ยหายใจแรงก็ไม่ไหน่เนาะมันรู้สึกไปหมดนะเนี่ยของเราได้ยกมือโจทั้งขวแขนจนหลุดมือยังไม่ค่อยรู้สึกนะ สมาธิแบบนั้นนะมันพร้อมที่จะรู้แจ้งมันรู้สึกตัวแบบนี้ชัดๆเนี่ยเดินไปก็รู้สึกเดินมาก็รู้สึกเอ้ะทำไมมันแจ่มใสดีจังนะโ ล, งลง่งโปร่งมันรอจังหวะนี้รอจังหวะเวลามันความคิดดีตัวปุ๊บขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยแตกกระจายเลยเปี้ยงสันดาบสักพักทันทีสว่างขึ้นเหมือนฟ้าผ่าน่ะนับตั้แต่นั้นก็เฮ้ยนะี่สงครามจบนับศพทหารแล้วทีเนี่ย นั้นสติเนี่ยตัวสําคัญคือตัวรู้นี่มันไม่พอธรรมะมันมีอยู่แล้วอริยสัจก็มีสมมุติก็มีอะไรมีแต่ว่าคนตาบอดมันจะเห็นอะไรเนาะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดูดิดวงจันทร์ดวงอาทิต ย, ตย์ท่านบอกคนตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดเนี่ยมันจะรู้ได้หรือว่าโลกนี้มีดวงจันทร์มันจะรู้ได้หรือว่าดวงโลกนี้มีดวงอาทิตย์มีดาวอังคารมันรู้ได้หรือมันรู้ไม่ได้ คือเราโง่ออมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันจะรู้มันรู้ไม่ได้ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงธรรมะมีนะอานิจจังนะธรรมะมีนะอนัตตานะนะทุกอย่างนะยานนั้นยานนี้เป็นย่งนั้นเกิดสว่างเกิดวิปัสสนานะโอ๊ยไ ม, ไม่รู้ไม่รู้เพื่อฝันแนะ่คนตาบอดมาแต่กำเนิดมันจะรู้ได้ยังไง ทางจังหวะดีๆ<ด>มันนั่งหลับอยู่นี่แหละโดยพระพุทธเจ้าท่านถึงเบื่อนายพูดทำไมเมื่อกี้พมมาจะโลกาสัก์มีดวงตาน้อยจะน้อยหาอะไรย่อนป่านเนี่ยมันยังทุลีในดวงตามากเละเนี่ยหลับได้หลับดีทำไม่ไหวปุ๊บๆเข้ามาก็จะดีขึ้นมานะ ให้ใจมันสว่างขึ้นมาด้วยเอาใจด้วยยกมือเนี่ยไม่ใช่ยกแต่มือนะ ย, ยกแต่มือนี่เขาไปตีบลเล่เลยเนี่ ย, ไ, ยได้กำลังแขนเนี่ยแต่ถ้าได้สติคืออันนี้เป็นเครื่องมือเหมือนเอาช้อนนะ่ะจะตักอะไรช้อนเปล่าเข้ามาหนึ่งมันจะอิ่มไห ม, มลงไปที่หม้อที่อะไรก็ตักแต่ไม่ถูกทันทีนะ่ะความทางต้องล่องมันลงนะขึ้นมาปุ๊บ ครับเอา้าไม่เห็นมีอะไรวะตักอีกคนโง่เอาช้อนคว่มตักเนี่ยมันไม่ได้อะไรสักทีมันจุ่มลงไปแล้วก็ขึ้นมานะเหมือนกันนะ่ะเจริญสติมันไม่จับความรู้สึกมันไม่ได้ความรู้สึกตัวมือเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกตัวมันไม่ได้มาพอมันไม่ได้ก็ยกฟรีๆนะ่ะยกช้อนเล่นโอ้ยคนบ้ายยกช้อนเล่น บ่ อ, อยยังตักมาได้สามสีมือ้อเลยยังบะมีอยู่อมโยเพราะปะนันมันก็ไม่เกิดแล้วแต่ปากมันก็คาบทุกครั้งนะให้ไม่มีอะไรเ้ยมันคือบะมี่ยังเกิดขึ้นจะมี่ยังตักส่วนเป่าเนาะนะบางคนทับผีเป่าหรือําไปยัดเขาแบบยัดเข้าปากง้ยเบื่อวะเมื่อยะน้าปากซื่อๆมันไม่หอมไม่หวานไม่เค็มไม่อะไร คือมันไม่เกิดปีติไม่มีสมาธิมันมีความโล่งความโปร่งความเบาเลยไม่เห็นเนี่ยยังไม่เห็นเนี่ยกูก็สร้างจังหวะเหมือนคนอื่นเขาอาแต่ทำํำไม่ได้มันไม่ได้ทําไ ม, ไม่เป็นไงสังเกต ด, ดีๆเนี่ยช้อนพลิกขึ้นมองไหมเหลวข้างมันตักกําหนดรู้เนี่ยกําหนดจริงไหมต่อเนื่องไหมเนี่ยไอ้ที่ตักนะ่ะถูกถ้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนอกถ้วยก็ไม่รู้นะ นอกถ้วยคือแทนที่จะให้ ร, รู้ในตัวนี่ดันไปรู้บ้านโนนอะรู้ครอบรูกหัรู้หวรู้เมียรู้นั้นที่การงานมึงคิดไปนู่น ม, มือก็ยกไปยุแต่คิดไปพุ่นแล้วจะได้อะไรหูบฟังติเบาเนี่ยมันคือนั่นแจ้งแท้แตาคนทังโลกเเอา้าเจ้านายมื่กีแจ้งเละนี่จิตมันจะคนละดวงกันนะ ทางโลกจะพูดภาษาโลกทางธรรมพูดภาษาธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่าห้ามแสดงธรรมแก่อนุปบสสัมบันเกินหกคำพูดกับอนุปบสสัมบัณฑ์หกคำเนี่ยถ้ามันสวนขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยเป็นอาบัินะของห้ามแสดงธรรมกับคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนจิตไม่มีศรัทธาคนมีอะไรแปดอย่างนะท่านบอก ดังนั้นพยายามระลึกรู้เนี่ยให้เห็นว่าธรรมชาติคือเป็นแบบนี้คนปฏิบัติธรรมนีืคนรู้แก่นสัจธรรมเนี่ยมันเหมือนคนโง่โงคนโง่โงแบบพืชเขาไม่ตอบสนองตอาาอ่อภัรษะเวลาภัรษะนี่เขาไม่ตอบสนองอถ้ากลับไปบ้านภรรยากลับมากอดเอวเศ้าดดาเด้าพิชิตศีลเดย คือโงเ่เถอะไอ้เนี่ยไปปฏิบัติธรรมแล้วโง่เนาะเนี่ยเนยมันไม่ใช่นะมันรู้สึกโอ้ยละเฮ้ยอันนี้เหมือนท่นไหวท่อนฟืนนะเนี่ยอืเป็นอันนี้จังนะเนี่ยนะเป็นอันนี้จังทุกขังนะของเรานี่ก็ขันหน้าแล้วนะเนี่ยพี่มีขันหน้า<ม>พี่มีขันหน้า<ม>น้อง ตามมาก็เป็นสิบขันเราต้องดูแลกันทั้งสิบขันนะถ้ามีลูกมาอีกล่ะสิบห้าขันพระพุทธเจ้าพูดว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเด้อของเราสิบห้าขันยิ่งหนักนะเนี่ยสามสิบขันสี่สิบขันก็เป็นนักคือไปแบกเอาความคิดคนอื่นนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ไปแบกเอาความคิดของลูกลูกก็แบกวิษความคิดของชาวบ้าน เห็นไหมเวลามันรักคนนั้นคนนี้เนี่ยจิตมันคิดไปโน้นไกลไม่ได้ห่วงใหยพ่อแม่ละมันไปไกลมันออกนอกตัวเขาเรื่องเรียกว่ามันไม่มีจริยธรรมอะไรที่ควรทํามันไม่ทําไปทําสิ่งที่มันไม่ควรเนี่ยทีนี้ก็หนักล่ะหนักอกหนักใจเขาหนักใจเขาตึงหนีไปไงหนีไปตามกันหนีไปหาคนโน้นคนนี้เพราะมันหนักมันถ่วงความคิดประเภทนี้มันอยู่ในใจในจิตมันเยอะ พอมันอยู่ในจิตเยอะนมันต้องไปถ้าไม่ไปไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันมีวิธีหนึ่งก็คือให้เขาปฏิบัติทําให้เขารู้แจ้งสัิธรรมอย่างนั้นเขาฝึกจิตชาระล้างใจเขาได้เนี่ยสบายไอ้เนี่พราะเขาทําได้แล้วจะสบายสบายตัวที่เขาไม่ต้องวิ่งไปตามโมเมนตัมที่มันถ่วงเนี่ยนะมันไม่ไปตามนั้นน่ะมันเบาจิตมันเบาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะมันอยู่ในกายนี้ จิตนี่กัดแกงดิ้นรนรักษาอย่างห่างยากเหมือนสวดเมื่อวานไปเรื่อยมีกลายเป็นที่อาศัยแต่มันไม่อาศัยอยู่นี้มันแวบออกไปเรื่อยแวบออกไปเรื่อยเดี๋ยวมันเข้ามาทั้นฝึกมันก่อนฝึกฝึกทันโตเสถูมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยบุคคลผู้ฝึกจิตเนี่ยประเสริฐที่สุดฝึกมือฝึกตีนฝึกฝึกตีนเป็นนัก ขุดบอลฝึกมือเป็นนักมวยเนี่ยไม่ประเสริฐเท่าอันนี้นะฝึกสมองเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทหารตำรวจเปฝึกสมองอนะันนั้นก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการฝึกจิตนี่นะสมองนี่เป็นเครื่องมือแบบทั้งโลกฝึกจิตนี่ยคือฝึกสภาวะการรับรู้อารมณ์ฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่ฝึกคิดคนอ่านกันนะฝึกสมองฝึกคิดฝึกจิตเนี่ยฝึกการรับรู้อารมณ์ มันรับรู้รับรู้แล้วปล่อยรับรู้แล้วปล่อยนี่เขเดี๋ยวฝึกจิตเห็นเกิดอา้าวเห็นแล้วมาเนี่เกิดพอมันเกิดแล้วมันยาวของเราเนี่ยเรื่องหนึ่งหนึ่งมันคิดยาวมากอย่าให้มันยาวเห็นแล้วตัดทันทีเลยพอคิดไปมันก็แค่นั้นเดี๋ยวมันก็ดับคิดยังไงมันก็ดับไปแต่เราก็ติดติดในรสชาติของความคิด มันได้คิดแล้วมันมันสนุกอ่ะมันพอใจมันติดอกติดใจนี่แหละเขาเรียกว่าออกตันเอาจากตันหาอืลืมตาหนูลืมตาสร้างจังหวะนั้นลืมตาลืมตาคนไหนทํำไงก็ได้ขอให้มันตื่นตัวลองกําหนดรู้ดูดีเวลามันเจ็บมันปวดดูดิเอามันเจ็บเือเมื่อนี้เด้อมันเจ็บสู้กับความเจ็บนี่ดูดิความปวดดูดิดูดูจนมันดับไปอ่ะมันเกิดมาดูเกิดมาลราฟังก็ฟังไปทีเดยดฟังจําได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมัน รู้สึกไปเรื่อยๆโยธทรมมันหลุดไปนั่นแหละจนมันดับไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกสักสองสามสี่ครั้งเนี่ยแล้วมันจะเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นมาอีกคือคล้ายๆว่าหัดชกกับแชมป์เขาบ้างแชมป์มันเนี่ยสู้กับเวทนาบ้างสู้กับสัญญาสังขารวิญญาณไปเรียนรู้กับอะไรที่มันยากหน่อยเรียนรู้กับความหิวบ้างเรียนรู้กับความม่วงบ้างอะไรประมาณเนี่ย ชคกับแชมป์ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ชคกับแชมป์เราก็ไม่ได้เป็นแชมป์นะมันเบื่อเบื่อเอากูจะดูความเบื่อนี่กูจะรู้สึกตัวนี้เบืบ่อเบื่อแค่ไหนดูเบือ่อเกิดดั บ, ดบนี่เขาบอกให้เห็นทุกข์มันเกิดมันดับทุกข์เนี่ยมันเกิดมาแล้วมันจะดับไปแต่ของเรานี่มันเกิดแล้วมันไม่ดับมันเกิดแล้วมันไม่ดับทางร่างกายในเกิดตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็โตขึ้นทุกค น, นแก่เจ็บตายความคิดก็เหมือนกันเป็นเหมือนนั้นมีเกิด พอมีเกิดแล้วมันจะมีชะลาทรมมีแก่ขึ้นมาอความคิดเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นตัวเป็นตนนะแล้วก็อึดอัดนะอึดอัดทุกมันก็เริ่มเบื่อหน่เริ่มหน่ายหาทางออกสัปุ๊บมันก็ดับไปบางที่ต้องกินยานะมันติดอยากออกจากความคิดก็ไม่ได้ต้องกินผลานะเพื่อจะนอนบ้างกินยานอนหลับกินนอนกินนิ่มถึงนอนหลับได้อืมมันต้องกระตุ้นมนะัน่ะหรือบางที มันนอนหลับไปติดอกติดใจตื่นมาเงีบแล้วเงียบแล้วต้องกินกาแฟไว้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตอันนี้ไม่ใช่เราไม่รู้จากธรรมชาติเราตกเป็นธาตต้องเสพติดอยู่เรื่อยก็ไม่ไหวอนทุกอย่างกินเพื่อเป็นกีฬาเภสัชเป็นยากินแบบเป็นยายาบารุงยารักษายาไม่ใช่ยาบำรเรนรักษารักษาไม่ให้มันเสื่อม จนถ้ามันมีเวทนามากแต่มันเสื่อมในเสื่อมแน่นอนทุกอย่างนั้นเราเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆโอ้จิตก็มีชราธรรมเนาะเกิดแล้วแก่เจ็บแล้วก็ดับไปทีนี้อย่าให้มันแก่ทีนี้พอมันเกิดปุ๊บเราห้ามการเกิดยังไม่เป็นเดี๋ยวนี้ยห้ามความคิดไม่ให้เกิดเนี่ยมันไม่เป็นเราดับยังไม่ได้เราก็ให้มันดับถ้ามันเกิดแต่เราให้มันดับเร็วเท่านั้นเนี่ยให้มันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าอย่าให้มันเป็นเรื่องราวยาวนาน นี่ยยัยมันเป็นเรื่องราวยาวนานนะปุ๊บเห็นปุ๊บดับมันคิดปุ๊บดับคิดปุ๊บดับคิดปุ๊บดับดับเงี้ยได้บางคนต้องพูดเอานาะเดินทุกคนไปเห็นควาคิดมันดับมันเป็นอะไรของมันนะทีแรกก็พูดในใจเนาะมันก็ไม่ค่อยดับนะต้องออกเสียง เดินจุกู่ในป่านะมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะดับคนอยู่ข้างๆตกใจอะไรวะอีกหน่อยดับอยู่ในนั้นเอาไปมาคนก็แตกหนีออกจากป่าหมดคนนั้นก็เดินไปค น, น, ปนหนึ่งลูตาเอ้าเป็ออ<ะ> น, น, นอะไรทำไมออกมาลำคานําคานเลยลูนตาก็ฟังเอาดิเร า, เราก็ฟังดูดับเอา้ามันเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามีแต่ดับรูตาว่าอย่าดับเลีงไหลวะ ว้าวแต่ก่อนมันก็ง่ายอยู่ลงตายนมันไม่ออกนะถ้าพูดที่มันจะหายไปเลยนะที่บอกอันนี้ก็ห้ามเอาไปใช้นะเทคนิคอ น, นี้ยให้ดับในใจเอาสติดับอันนี้มันดับด้วยปากนะคุณวิศวกรชนประทานมาบวช ด, ด้วยอายุมากแล้วห้าสิบห้าปีเฮ้ยห้าสิบห้าสิบปีมั้ตอนนั้นมาบวชเลยง่วงคนแก่เนี่ง่วงคนหนุ่มเขาเดินก็ไม่ง่วงนะ แกเอาคู่ถังน้ําไปตักไว้ข้างๆนะผมง่วงที่ได้เอาหัวจุ่มลงไปเอาก้นชี้ขึ้นฟ้าเนาตายมึงตายอยู่อบอกทีแรกเห็นพระวันนี้เรียบร้อยปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบพอกูมาโอ้ยปฏิบัติไม่ค่อยดีมันง่วงช่งนะ เ, เอหัวจุ่มก้นชีขึ้นฟ้าเอาไปมาจุ่มยัยมนพอเสร็จกวมานนั่นงซงจะบอกก็ง่วงนึกไงก็ไม่รู้ไหงมาฟังเทศกูจะกินแม่มึงอะ กินแม่มันนะมันมีแม่มันะมึงง่วงเนี่ยนะแม่ขี้เกียจแม่ขี้ขันแม่ห่งเห็นแต่แคเดินจุกลมนะเดินไปเห็นหลวตามว่าเออมันเป็นอะไรของมันน่เดี๋ยวอ่างับอีกแล้วมามึงมานี่นะได้ยินแต่เสียงพูดกินแม่มึงนี่มาเดินไปเดินไปอ่างับเดี๋ยวงับเป็นยังไงวะหมดแล้วหลวงตาหมดแล้วหมดอะไรหมดกินแม่มันหมดอ่ะนี้นะ แม่อะไรล่ะแม่ง่วงผมรู้วิธีแล้วผมรู้วิธีแล้วผมจะกินแม่มันให้หมดจนมันโผล่เข้ามาเนี่ยงาบมหมโอ้เนี่ยเขาค้นพบด้วยตัวเขาเองพระพุทธเจ้า ก, ากูยังไม่ได้สอนให้กินแม่มันเนี่ยมันมันก็เอามาใช้ได้นะเป็นปัญญาแบบหนึง่งเป็นปัญญานะงั้นจะหาเอาเองแล้วใช่ไหมวิธีการเนี่ยจะมารอฟังมาต่อเอาไฟจากีนี่บางทีมันไม่ใช่ฉจดิตเราต้องสู้กับมันเอง ไปมาเมื่อก็ไม่มาพอมาจะได้กินพอมาจะกินงับกืนลงท้องหมดน่ก็ืนลงท้องหมด เ, เขาเป็นคนโทสะจะไหนจะไลยเนาะไม่เหมือนคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ไปฏิบัติทําแบบนิ่มๆเหมือนคนอื่นนะวันนี้เขาทําบุญเมื่อวานเนาะทําบุญขึ้นบ้านเขาทําบุญทําบุญบ้านนี่หมดลงตาไปเทศยไม่ได้ไปแล้ววะะไม่ได้ไปเห็นจะบอกว่าไปเบิกทังมา 35มหมื่นหน้ากดตังมาสามหมื่นหน้าห้าพันใส่กระเป๋าสามหมืนหนงจะให้เมียไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรเลี้ยงพระเนี่ยนั่นใส่กระเป๋าเก่งไ ป, ไปพอไปถึงบ้านล้วงหาหายหายไปสามหมืนไปอยู่ในกระเป๋าใหญ่นะห้าพันเดือง 5, ห้าพันกูนี่มันชาติชั่วปัญญนก น, นีน้นอไม่มีใครถูกด่านะก็ด่าตัวเองทั้นี้แด่เลยเนี่ย สับเเผวสัเเผวโอ้ตายตายตายนั่นก็ไม่รู้มันหล่นตรงไหนนะใส่กระเป๋ากางเกงเหรอนะที่ว่าไปแล้วจะให้ภรรยาเงินเหลืออ 5, <000 S 2> ย 5, <000 S 2> ูอ่ห้าพันห้าพันก็ช่างเถอะไปเอาใหม่นะให้ภรรยา อ, ออกไปก่อนอชีวิตนะมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่กับความได้ความเสียความถูกความผิดคือมันเป็นอนิจจังตลอดเวลาเห็นไหมถือเงินไปนึกว่าจะนิจจังแล้วแต่เป็นอะนิจจัง คือมันหายแล้วทําใจไงใจก็ต้องปกตินะเมียของเราเนี่ยภรรยาเราสามีเราเนี่ยนะถือมาด้วยกันกอดมาด้วยกันเมื่อเช้านะมาแวบบเอาหายไปอีกแล้วนี่ไปเจอผูบ้บ่าวท่านอื่นไปแล้วตาเราได้มาตอนเช้านี่ตาตาตาสาสายมาเอาตาเมื่อตาโมวแล้วเนี่ยเห็นไหมมันอันนี้ยังต่อเลวหูก็ว่าดีอยู่สมองก็คิดดีอยู่เดี๋ยวก็ลืมอีกแล้วเนี่ ตาหูจะหมูกลิ้นกาใจมันเป็นอะไ น, นี่จังนะมันเสื่อมต่อเวลาแต่เราก็นี่ทําไมตากูเป็นอย่างนี้วะทำไหมหูกูเป็นอย่างนี้วะนี่ทํำไมกูคิดไม่ออกว่าอย่างนี้ไอ้ทําไมมันไปคิดอันนั้นวะมันไม่น่าจะไปคิดนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเราไม่เข้าใจสัจธรรมชีวิตมันไม่อิงสัจธรรมมันเป็นทุกข์นะเนั้นถ้าอยู่กับความจริงเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นของมันตาตาตาเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองท่านพุทธทาสพูดหัวเราะนะ มันเป็นเช่นนั้นเองตาตาตถตาเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองของเรามันให้มันเป็นเช่นนั้นเองบั้งเถอะอะไรอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองมันปล่อยมันวางแล้วมันคลายใจมันก็จะสบายจิตเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูง ข, ขึ้นสูงจากอารมณ์อา้าวลับอีกแล้วคนเก่านี่โอ้ยไม่ใช่ความง่วงมันเข้าสิงแล้วเหรอมันบดในใจเนี่ได้ยินเนี่ย Ừ, อยู่บ้านกูก็ไม่เคยตื่นพบบนี้ด้วยเป็นธรรมดานี่มาฝึกไงฝึกไงฝึกไงฝึกออกจากสิ่งที่เรายึดติดมันเคยของกินมันเคยได้กินน่ะพอจะให้มันหยุดกินไม่มได้มันหิวหิวความง่วงเอาความง่วงเราตาถามหน่อยเกิดจากกายหรือเกิดจากจิตอืมเวลาทำงานแล้วมันเพลียมันเมื่อยเนี่ยง่วงไหม เอากายแล้วอเอาตื่นมาแล้วเนี่ยเพิ่งนอนเมื่อกี้นะนอนมาแล้วสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยกี่ชั่วโมงนะหกชั่วโมงเนี่ยตื่นมาเมื่อกี้ทำไมง่วงกี่แล้วเนี่ยร่างกายมันได้พักผ่อนได้ยังพักผ่อนแล้วเอา้าทำไมมันง่วงอะเกิดจากอะไรเอาจิตแล้วทีนี้เกิดจากอะไรกันแน่สองอย่างเลยเอานี่อืม พยายามนะอย่าโยมขี่รถขี่เรือมาสะดวกสบายไม่เป็นไรนะค่าอยู่ค่ากินที่วัดจ่ายเองเยวะจ่ายใไะขอแต่สะดวกสบายแต่ขอให้มันถึงนยะขี่มาแบบสบายผมมาแล้วก็ปฏิบัติตั้งใจละ่ะฝึกน้ำท่าฟืนไฟเรามีให้อาหารการกินมีแต่ว่าอย่าเอามากเอาพออยู่ได้ทีเนี้ยมีให้กินแบบนักปฏิบัติธรรม แต่แบบนักปฏิบัติทํามันก็สะดวกสบายดีนะเนี่ยลงตาว่าบรรยากาศนี่มันหนาวเพราะมันหนาวเนี่ยพวกนักร้องนักลําเลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันหนาวสมน้ําหน้ามึงว่ะของเราก็ไม่ค่อยร้องไม่ค่อยลําของเรานี่เห็นไหมเนี่ยไม่มีดนตีนะแต่สร้างโดนตีในใจฟ้อนตลอดเวลานะี่ในใจพอสู้ได้คนทังโลกเขาก็หนาวเขาก็ไม่มี แต่ถ้าบรรยากาศมันอีกแบบหนึ่งเนี่ยโอ้มันจะวุ่นวายอ่ะในถ้ำกลางของกิเลสเกิดเนี่ยธรรมะมันก็เกิดได้เพราะธรรมะนี่มันเป็นไม่ประกอบไปด้วยอาการอิโก้น่ะมันไม่เลือกฤดูอ่ะเนี่ยไม่เลือกฤดูไม่เลือกเวลามันเกิดได้งอกได้ทุกที่แต่ทั้งโลกมันต้องเลือกเวลานะมันเลือกเวลามองไกลๆโยมมองไกลๆลองรับแสงเงินแสงทองมันมันเห็นไหมพวกที่อยู่ที่ผาแต้มน่ะ จะไปรอรับดวงอาทิตย์ครั้งแรกและชีวิตกูจะมีพลังคิดแบบเนาะคนฉลาดนะมิเตร์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ทั้งนั้นในความคิดไปเนี่ยบ้นนอกก็ไม่คิดน ะ, <c oughs> นะวันก่อนพวกหนึ่งมาวิ่งออกกำลังกายนีย่ขึ้นภูเขาเนี่ยตอนเย็นมากับมาแล้วรถเขามาจอดหน้าวัดก็วิ่งขึ้นเขาเนีนมาก็มาไหว้ล่นตาล่นตาบอกว่าทำอะไรให้ดีกว่านี้ดีไหม จะดีมากๆนี่อยู่หมู่บ้านไหนนุน ต, ตาถามเรามีกันกี่คนมีสิบหกคนอโอแต่กนรออกกําลังกายให้มันได้ประโยชน์บ้างวิ่งทุกวันไหมเขาว่าทุกวันเดทิตเนี่นุ่น ต, ตาว่าแบ่งหน่อยได้ไหมสองวันสองวันสิบหกคนนี่ขอเอาไม้กวาดต้นตาจะซื้อให้กวาดรอบหมู่บ้านนะน่ะตามถนนนุ่นทางนะ่ะปัดกวาด เวลาไปเดินบินทะบาดพระเดินบินทบาดขวดมันตกลงมันแตกแล้มันอยู่ตามริมถนนเนี่มันเสียบตีนพระแล้วเป็นตาปลามันหลายอย่างคือพระกันปัดกวาดทำถนนถนนเส้นนี้ตอกเส้นนี้ปัดกวาดทำศาสตร์เขาจะยกย่องสารเสื่อสมัครผู้ใหญ่บ้านก็ยังได้เลยดีกว่าล็อกแต่งชุดกันแล้วมาวิ่งขึ้นภูเขานี่ตื่นมาวิ่งขึ้นภูเขาเนี่ยมันไม่สร้างสรรค์ไม่มีปัญญาออกกําลังเท่ากันแต่ไม่ได้ประโยชน์เนีไย ห้าวันมาวิ่งก็ได้สองวันบําเพ็ญประโยชน์กับสังคมซะไปทําสะอาดสารากลางหมู่บ้านสาราประชาคมทําอะไรเนี่ยมันได้ประโยชน์นี่ยแต่คนส่วนมากคือมันอยากได้แต่ตันหาลุ้นๆนี่ยคำว่าจิตสาธารณะไม่ต้องไปสร้างกลไกไม่ได้สร้างอะไรมากมายคือสํานึกขึ้นมาแค่นี้เอาแล้วดีกว่าจะวิ่งไปทําตอนเขาประกาศนั้นไม่มันต้องเกิดเองนะจิตสาธารณะเนี่ย นั่นถ้ามันไม่ฝึกสติเนี่ยมันก็ไม่เห็นประโยชน์นะถ้าประโยชน์ก็คือต้องมีหน้ามีตาอะไรประมาณเนี้มันถึงจะเอาไม่ให้มาเป็นวันนั้นเราโยอมไหมฝึกไว้เถอะนะอยู่ที่บ้านที่ทํางานที่นนท์ที่นี่พอล้างส้วมได้ก็ล้างทําสะอาดได้ก็ทาสาทนะอาดอยู่ในที่ทําการทํางานเนี่ยไม่จะเป็นต้องไม่ใช่หน้าที่กูไม่ใช่เวีนกูนะนะอย่างนั้นมันไม่ได้ มันไม่ดีเพื่อจิตเราเนี่ยมันไม่ดีขึ้นอะไรที่มันดูไม่ดีก็จัดการเรียบร้อยขยะขยะเยะเห็นตามถนนท น, านทางเก็บเรียบร้อยอันตั้งอกตั้งใจเอาชีวิตเนี่ยฝึกเถอะถ้าฝึกแล้วโอ้ยมันอยู่กับธรรมะมันไม่ได้อยู่ยากเท่าไหร่หรอชีวิตเนี่ยอยู่กับธรรมชีวิตอิงธรรมอะถ้าอิงกิเลสเนี่ยกิเลสมันล้มนะเพราะว่ากิเลสเป็นอ น, นิจจังเหมือนหลักไม้เนี่ยสัก ยึเอาไว้เนี่ยพอเราไปพิงมันเนี่ยไปอิงมันไปพิงมันพิงมันเราเรียกว่าอิงพอไปพิงปุ๊บมันล้มน่ะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นน่ะมันล้มเรื่อยล้มเรื่อยแล้วจะไปพิงมันทําไมพิงสมมุตินะะพิงกิเลสมันเป็นอนิจจังพิงลาพิงยศพิงสารเสนพิงสุขพิงทุกข์ของไม่เที่ยงทั้งนั้นพิงรูปเวทนาสัญญาสกันพอพิงปุ๊บล้มปุ๊บเนี่ล้มปุ๊บหัวขมามันลุกก็มาพิงใหม่แล้วจะไม่เป็นอย่างนี้วะอ้าวมันเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรอ่ะ แต่เราไม่เข้าใจถึงกฎสัจธรรมนี่แต่ถ้าเราพิงธรรมะฝึกสติขึ้นมาปักหลักเนี่ยตอกหลักทุกวันทุกวั น, วนจิตมันนั่นมั่นคงรู้ชัดขึ้นมาโอ้มันเป็นนี้เนาะความเข้าใจคือปฏิบัติธรรมยกมือสังสอนเพื่อเกิดสติสตินี้จะทําให้เกิดการรู้แจ้งการรู้แจ้งทําให้เกิดการหลุดพ้นน่ะเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือวิมุติคือหลุดพ้นนะวิมุตินะ ให้หลุดพ้นถ้ามันเกิดความเข้าใจเฉยๆถ้าจิตมันยังไม่หลุดพ้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งพวงไม่หลุดจากความคิดความปลุกแต่งของโง่ความเหงาเนี่ยมันก็ยังไม่มีสตินะสติมันไม่ทํางานมันไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นวิปัสนาญาณเป็นญาณทัศนะอะไรให้อน่ยนั้นต้องต่อเนื่องจริงๆนะมันได้อยู่แล้วได้ความคิดดีๆกลับไปได้ใจดีๆกลับไประดับหนึ่งอะเพียงแต่ว่าจริงๆศักยภาพเรามีมีที่จะทําให้มันเกิดการรู้แจ้งเลย ถ้าทำจริงๆมันก็จะทะลุสู่มิติอันนั้นได้ขยันทาถ้าทําที่นี่ทำจริงจำเพียงพอมันรู้บ้างแล้วเนี่ยกลับไปบ้านก็ไปทําอีกไปทําอีกที่บ้านตื่นแล้วก็ทําตื่นแล้วก็ทําะทําไปทำมามันก็เป็นเหมือนกัน่ะเหมือนกับอยู่ที่วัดเนี่ยเพียงแต่ว่าอยากให้รู้ที่วัดที่ชัดๆก่อนใมันเข้าใจจริงๆพอมั่นใจเออทําแบบนี้เนี่ยรับรองไม่หลงและอย่าไปหลับตาที่บ้านน่ะถ้าหลับตามันจะหลับเลยถ้าหลับตาบางทีมันก็ติดนิมิตติดนั่นติดี่ติอันรกันนก็ เบลอไปกับอารมณ์อย่าไปหลับตานั่งทําดีๆนะรับรองไอะชาติเนี่ยคุณนิพพานก่อนตายแน่ๆมันต้องเป็นแหะต้องได้ยิ่งอายุเยอะแล้วรีบทําถ้างั้นมาแล้วก็จะเย่และไม่พระได้พูดได้บนได้ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเจ็บนั่นเจ็บนี่นะบางคนโอ้เจ็บขาข อ, อยาไม่หลอกล้มตาว่าเปลี่ยนใหม่เลยขานี่เข้าไปในห้องพยาบาลนะ่ะเขามีขาเทียมใส่ให้อยู่ ตัดขาเก่าออกขาเทียมมันดีนะ่ะว่ามันไม่ดีนะยุงก็ไม่กัดนะนะี่เนี่ยหิวข้าวหรือ ย, ยังลงใต้จยยากถวายอาหารเนื่องวันวันปีใหมนะ่วันปีใหม่แต่เราถวายมามา่มาปีเก่านะทำไงได้เนาะของเสียนะนะมันจะทำไงถ้าเอาไปทิ้งมันก็อะไรอยู่เนาะ นั้ น, น, นพวกเราก็่าตักเยอะนะเจ็บท้องไม่ว่ากันนะอันนี้แต่ก็ดูพระเอาพระนี่กำมังยกกำลังสองน ะ, ะใส่ดีเพราะเขาไม่กลัวเพราะเป็นปฏิบัติปล่อยวางได้แล้วน ะ, นะปล่อยวางมาแล้วหมดอายุก็ปล่อยวางก็ไม่ถือไม่ถือไม่สาสู้ได้อ้า อย่าไปอยู่กับรูปรถกินเสียงอยู่บแบบใจจะสบายๆนี่แหละสบายๆไม่มีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอย่างเอาอันนี้ไปใส่อันนั้นเอาอันนั้นไปใส่อันนี้เคยกินฟ้าทลายโจรกินยาอะไรเนี่ยทำไม่ให้ขมนี่ททำเป็นไหม <c oughs> คือเทเข้าปากเนี่ยสดๆเนี่ยแต่ไม่ให้มันขมเนี่ยคุณหมอ ต่อมรับรสที่มันอยู่ที่ไหนรับรสขมเนี่ยโคนมันเหรอนี่ยเรากดตรงโคน ล, ลิ้นเอะไวใ้ให้มันไปรับมันจะผ่านไปเลยว่าอยู่ที่ใจกดต่อมรับรสอยู่ที่ใจเลยโอ้ว่าหนาสิเมนนะอีหลา่าซีเมนนี่มขมคือเกาได้เนี่ยเอารูปไปแก้นําเอานามไปแก้รูปบุ่นวายเนะี่ยก็เลยผิดเนะ่เ น, นี้ยอื เวลาเจ็บขานั่งเจ็บขามากๆมันอยู่ที่ใจดอกเว้ยสร้างเมฆมนดอกแบบนี้เ่ยก็เฉยกับมันเกิดปวดขึ้นนืเนี่ยคือเอาเอาน้ําไปแก้รูปไม่ได้ถ้ารูปเห็นมันมากๆก็คือเอาก็แก้ไปแก้แล้วมันก็สบายขึ้นมาขณะที่แก้มันก็รู้สึกนะเนี่ยรูปแก่รูปแต่ความคิดเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นนี่อย่าไปแก้อะไรดูมันจนทั้งมันดับไปออ้นี่ไม่ต้องแก้มันเบิ้งจนดับ ไม่ใช่มันคิดอันนี้มันทุกข์เปลี่ยนไปคิดอันนั้นเปลี่ยนไปคิดอันนี้ไม่เอาอะนนั้นมันไม่ดับไม่เห็นนอะอืมดวงอาทิตย์ขึ้นเลยยังเหาะเปิดหน้าต่างให้ดูหน่อยนิดโอ้ขึ้นแล้วดวงอที่ขึ้นแล้วปัดกวาดซะหน่อยละเป่อไปห้องน้าำมังท่าเนาะไปกินเลยนะี่ก็ยังไม่ถ่ายอันเก่าออกมันกิอะไรายอยู่นะนะ่ะให้ไปปัดกวาดแล้วเขาห้องน้ํำมังท่าปัดเปลี่ยน แล้วก็จะแม่งก็ขึ้นมานะนตอนกวาดให้รู้สึกไปนะรู้สึกไปรู้สึกไปเนี่ยใจมันรู้สึกคนที่เขาเก็บอารมณ์เขาไม่มากินนะอืมแต่พวกเรานี่ยก็อย่างว่าแหละปีใหม่บางทีมันก็คิดกูว่าจะกลับปีวันนี้เรามีให้กินนะจะกลับเลยนะเรามีให้กิน